คั้นแล้วเจ้าลิชวีทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวกับนางอัมพปาลีคณิกาว่าแม่อัมพปาลีเพราะเหตุไรเจ้าจึงให้เปลากระทบเปลาให้ล้อกระทบล้อแอกกระทบแอกเรียกว่าอะไรนะเป็นรถสมัยนี้ก็แม้เฉียวกันเลยนะไปเบรกกันสนั่นไปหมดตรงนั้นแหละนะทำยังไงทําไมจึงต้องเอารถมากระทบกันเนี่ยนะกับเจ้าลิชวีหนุ่มๆทั้งหลายเรา นางอัมพาปาลีก็ตอบว่าจริงอย่างนั้นเจ้าข้าข้าแต่ลูกขั้นหรือลูกเจ้าเนี่ยนะหม่อมชั้นได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์รับพัตตาหารสําหรับวันพรุ่งนี้ไว้แล้วเจ้าลิชวีทั้งหลายก็บอกว่านี่เนี่แม่อัมพาปาลีโปรดยกพัตตาหารมือนี้ให้แก่เราด้วยค่าแสนหนึ่งเถอแะแม่ขอเลยนะอะให้แสนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอทําบุญแทนได้ไหม แม่อัมพาปาลีคณิกาก็ตอบว่าข้าแต่ลูกท่านหรือลูกเจ้านี่นะหากเป็นจริงจากทรงประธานนครเวสาลีรวมทั้งรายได้ในชนบทแก่หม่อมชันถึงอย่างนั้นหม่อมชันก็จกไม่ยกพัะตาหารยิ่งใหญ่ถวายกรอยกเมืองพร้อมทั้งสวยให้หมดเลยก็ไม่เอาว่างั้น คังนั้นเจ้าลิชวีทั้งหลายต่างก็ใส่องค์คุลีก็คือสายนิ้วอ่ะนะว่าท่านผู้เจริญเอ้ยพวกเราเนี่ยแพ้แพ้นางอัมพปาลีหญิงคณิกาเสียแล้วเนี่ยนะแหมแพ้ใครไม่แพ้แพ้หญิงงามเมืองว่างั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเรานี่ถูกนางอัมพปาลีคณิกาลวงเสียแล้วเนี่ยนะแหมเจ้าลิชวีรู้สึกแพ้โสเพณีนี่หมมันเครียดเลยนะครั้งนั้นเจ้าลิชวีทั้งหลายเหล่านั้นก็เข้าไปยังอัมพปาลีวัน พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าลิชวีทั้งหลายมาแต่ไกลพระองค์ก็ตรัสกับพิสูทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายพิสุเหล่าใดไม่เคยเห็นเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงดูดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูบริษัทของเจ้าลิชวีเหลียวดูบริษัทของเจ้าลิชวีจงเปรียบเทียบบริษัทของเจ้าลิชวีเป็นเช่นกับเทวดาชั้นดาวดึง คือเหมือนนะเหมือนก็แปลว่าไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าใช่แปลว่าคล้ายแปลว่าเหมือนในการแต่งองค์แต่งตัวอะไรเป็นต้นดูนนคล้ายๆกับสวรรค์ชัน้นนาเทพยาดาสวรรค์ชั้นดาวดึงที่มีการแต่งตัวโดยวิจิตต่างๆครั้งนั้นแหลเจ้าฤาวีทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปด้วยยานตลอดพื้นที่ยานจะไปได้แล้วลงจากยานดําเนินไปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งอยู่ณนะด้านหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังเจ้าฤิชวีทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งนั่งอยู่ณด้านหนึ่งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อ่านฐารให้รื่นเรืองด้วยธรรมีกถาครั้งนั้นแลเจ้าฤิชวีทั้งหลายเหล่านั้นผู้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อ่านฐารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ โปรรับพัตตาหารของหม่อมฉันทั้งหลายสําหรับวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนลิชชวีทั้งหลายตถาคตรับพัตตาหารของนางอัมพปาลีคณิกาสําหรับวันพรุ่งนี้ไว้แล้วแลนะรับนิมนต์เขาไว้แล้วครั้งนั้นแลเจ้าลิชชวีทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็สายองค์คุลีกล่าวว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยพวกเราเนี่แพ้นางอัมพปาลีคณิกาเสียแล้ว ท่านผู้เจริญพวกเรานี่ถูกนางอัมพปาลีคณิกาหลวงเสียแล้วว่างั้นโอ้ยแพ้นะแพ้ใครไม่แพ้แม้เจ้าเนี่ยแพ้หญิงโสเภณีนี่เสียความรู้สึกหมดอ่ะนะครั้งนั้นแหลเจ้าฤาวีทั้งหลายเหล่านั้นชื่นชมอนุโมทนาพระพุทธภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วหลีกไปมีข้อที่น่าคิดว่า ทำไมเนอพระพุทธเจ้าจึงชี้ให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะดูพวกกษัตริย์ลิชวีที่แต่งตัวเช่นว่าโอ้โหเนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นสวรรค์ชั้นดาววดึงนะไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงดูสินี่ดูพวกกษัตริย์ไพศาลีแหละเหมือนกันเลยนะที่พวกอะไรนะพวกพวกกลุ่มสีเขียวแต่เขียวนี่ไม่ใช่เขียวปกติแต่ว่าเขียวที่ผสมด้วยสีเขียวนี่ยนะ ไปที่ที่อินเดียนี่เขามีเครื่องอะไรนะอะไรที่เขาเอามาเจอมันนะมีสีเขียวสีเหลืองสีอะไรมีหลายสีนะตามที่เขาอาบน้ำมันะอาบน้าแล้วเอาสีพวกนั้นามาทาตัวได้ไม่รู้แพ้หรือเปล่าไม่ทราบแล้วก็นุ่งผ้าสีเขียวเป็นต้นด้วยเครื่องอาพรที่บอกว่า อาทิพวกเธอจงน้อมเอาเข้ามาเปรียบเทียบกับบริษัทเจ้าลิชวีว่าเป็นเช่นเดียวกับเทวดาชั้นดาวดึงด้วยจิตของพวกเธอลองคิดดูนะว่าพร ะ, ะเทวดาพวกเจ้าลิชวีเหล่านี้คล้ายกับเทวดาชั้นดาวดึงจงเทียบดูเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงว่าแม้เจ้าลิชวีเหล่านี้ก็เหมือนกับ เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงที่สะสวยหน้าเลื่อมใสมีวรณะตักสีต่างๆกันบางพวกก็สีเขียวเป็นต้นฉะนั้นถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามอายตนะทั้งหลายในภายในมีจักรสุปเป็นต้นที่ยึดถือเอาในนิมิตในอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นด้วยสูตรลายลายสูตรในสูตรนี้กลับทรงประกอบพิสูจนทั้งหลายในการยึดถือนิมิต ด, ด้วยอุสาหะอย่างใหญ่ ถ้าเป็นที่อื่นนะดูกราฟิสูทั้งหลายเนี่ยน ะ, ะเธอทั้งหลายจงสำรวมจักสุเถิดเถนะอย่าถือเอารูปด้วยพิชาและโทมนัสจงสำรวมโสดจงสำรวมคานะชิวหากายะและสำรวมใจเถิดเป็นต้นเนี่ยมีแต่สอนให้สังวรไว้เยอะแยะไปหมดเลยแต่สูตรนี้กลับบอกเนี่ยดูซิไม่เคยเห็นดาวดึงเนี่ยก็ดูกษัตริย์เหล่านี้แล้วกันตอบว่าเพราะพระองค์ต้องการให้ ได้รับประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยนะพระองค์มุ่งประโยชน์แก่พระภิกษุทั้งหลายพระองค์จึงตรัสอย่างนั้นได้ยินมาว่าภิกษุบางพวกในเมืองภัยาลีนั้นย่อหอย่อนความเพียรแล้วก็มีบางกลุ่มเ น, นี่ยนะเริ่มชักงองแงแล้วนะชักไม่ค่อยปฏิบัติไม่ค่อยใส่ใจในการเจริญธรรมะเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงใช้สมบัติของเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยนะปลอบประโลม นะที่เรียกว่าต้องการปลอบประโลมคล้ายๆกับแสดงอะไรนะอนุปุพพิกถาใช่ไหมอนุปุพพิกถานนี่ก็จะแสดงศักขะคถากล่าวถึงสวรรค์ด้วยก็แสดงอนุปุพพิกถานั่นเองที่เรียกว่าเป็นการปลอบประโลมเพื่อให้ภิกษุเหล่านั้นเกิดอุตสาหะในสมณธรรมจะได้มีอุตสาหะปฏิบัติในอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาว่าเมื่อพิกษุกระทำสมณธรรมด้วยความไม่ประมาท การได้อิสริยสมบัติเห็นปานนี้ได้ง่ายแล้วเอาสวรรค์มาล่อเนี่ยนะถ้าเธอประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบนะสมบัติแบบนี้เธอได้ไม่ยากหรอกอันนั้นอย่าขี้เกียจในการเจริญสมณธรรมเลยเหมือนกันเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนี้แล้วเพื่อความแจ่มแจ้งแห่งอนิจจลักษณะเคยกว่าต่อประกาศความไม่เที่ยงเอาไม่เที่ยงยังไงตอนนี้ก็สวยงามกันหมดก็ความจริงอีกไม่นานเจ้าลิชวีทั้งหมดจักถึงความพินาศ ด้วยอำนาจของพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ดีว่าพรรษานั้นอ่ะพระพุทธเจ้าไปจําพรรษาคล้ายๆว่าไปสกัดทัพเอาไว้ก่อนพรรษาหนึ่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ดับขันปรินิพานหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไม่นานพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ยกกองทัพมาทําลายเมืองภัยาลีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ก่อนหน้านั้นนิดหลังนั้นนิดหน่อยเนี่ยนะเจ้าวัสการพราหมณ์นี่ก็มาแผนยุยง ยุ่ยแยกเนี่ยนะให้เมืองภัยาลีเนี่ยแตกเป็นเสียงเสี่ยงเสร็จแล้วก็ให้พระชาชนชาติสตรูยกกองทัพไปตีแตกทําลายเรียบเลยว่ากันทีที่พระองค์ชี้ให้พระพิสุทขทั้งหลายดูนะดูสมบัติของเจ้าลิชวีทั้งหลายก็จะเห็นว่าอีกไม่นานนะสมบัติเหล่านี้ก็จะถึงความแตกแยกถึงความพินาศครั้นพระพุทธเจ้าตรัสเพื่อความแจ่มแจ้งแห่งอนิจจาลักษณะด้วยพุทธประสงค์ละว่าง เหล่าภิกษุที่ยืนดูสิริสมบัติของเจ้าลฤาวีเหล่านั้นจักเจริญอนิจจลักษณะว่าความพิณาทแห่งสิริสมบัติเห็นปานนั้นจักปรากฏผลการที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่จีรังยั่งยืนความหมุนเวียนเปลี่ยนไปของสังขารธรรมทั้งหลายก็จะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและควายกําหนัดนที่สุดจกักบรรลุเป็นพระอหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาอย่านะีพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาพัน อันนี้แหละที่เป็นเหตุให้พระองค์นั้นบอกว่าดูนะดูกษัตริยชีวีเอาไว้เหมือนกับพวกเทพชั้นดาวดึงในที่สุดนะเทพเหมือนเทพเหล่านั้นก็อะไรตายเรียบเลยนะเพราะถูกอะไรถูกกษัตริยถูกพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยตามนะเข็นข้ามหมด อ, อนะต่อไปว่าครั้งนั้นแหลนางอัมพปาลีคณิกาเนี่ยนะ หลังจากที่นิมนต์พระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็สั่งให้เตรียมของเคี้ยวของที่ควรบริโภคอันประณีตในสวนของตนเองจนในส่วนของตนเนี่ยสิ้นราตรีเรียกว่าสั่งทำกับข้าวดูแลเรื่องทำกับข้าวเนี่ยนะสิ้นทั้งคืนว่าถามทำไมต้องใช้เวลามากขนาดนั้นเนื่องจากว่าพระพิสูจนเนี่ยติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นจำนวนมาก พอได้เวลาก็กราบทูลเวลาหรือพัตตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าได้เวลาแล้วพระเจ้าค่าพัตตาหารเสร็จแล้วครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งสบงนันะทรงถือบาทและจีวรเวลาเช้าพร้อมด้วยพระพิสุสงเสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของนางอัมพปาลีหญิงคณิกา ครั้นแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดเอาไว้ครั้งนั้นแลนางอัมพปาลีคณิกาอังคาดประเคนเลี้ยงดูภิกษุสองมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกด้วยของเคี้ยวของควรบริโภคอันประนีตด้วยมือของตนเนี่ยนะสมัยนั้นก็นับว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากสั่งสมบุญไว้มากได้ทําบุญกับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยมือของตนเนี่ยนะได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้เอาปัจจัยสี่ที่ตัวเองเนี่ยรับเป็นต้นเนี่ย บูชาพุทธบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ฟังทำได้ปฏิบัติตามศึกขาในพระศาสนาก็นับว่าบุคคลทั้งหลายสมัยนั้นเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยแล้วพ อ, องก็วางพระหัตถ์ลงจากบาทแล้วนางอัมพปาลีคณิกาก็ถือเอาอาสนะต่ำข้างอยู่ณนะด้านหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หม่อมฉันขอถวายอารามนี้แด่ภิกษุสองมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระเจ้าข่ายกสวนมะม่วงถวายเลยเนี่ยนะยกสวนมะม่วงถวายเลยพระพุทธเจ้าไปพักที่สวนแล้วก็ยกสวนถวายเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับอารามแล้วเนี่ยนะก็รับสวนอัมพปาลีวันเนี่ยนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังนางอัมพปาลีคณิกาให้เห็นแจ้ง ให้สมาทานให้อาหานให้รื่นเริงด้วยธรรมีกาถาเสร็จแล้วพระองค์ก็ลุกจากอาสนะเสด็จกลับไปเนี่ยนะก็คือกลับจากไหนกลับจากตรงนั้นไปยังกูตาคานศาลาป่ามหาวันได้ยินว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ณนะอัมพปาลีวันใกล้พระนครเวสาลีนั้นตอนนั้นพระองค์ก็ทาธรรมีราถานี่แลเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ศีลมีอยู่ด้วยประการชนีสมาธิมีอยู่ด้วยประการชนีปัญญามีอยู่ด้วยประการชนีศีลก็คือจตุปาริสุทิศีลนะนะสมาธิก็หมายถึงอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปัญญาก็คือกรรมมัสกาปัญญาอ่วิปัสนาปัญญาแล้วก็มัคคปัญญาเป็นต้นเพราะฉะนั้นมัคสมาธิผลสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมาก มัคคปัญญาผลปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากมัคคจิตผลจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นด้วยดีโดยแท้จากอาสวะทั้งหลายคือการมาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเนี่ยนะพันสมาธิเนี่ยนะสมาธิเนี่ยถือว่าเป็นผลผลิตของการเจริญ ศีลถ้าเจริญศีลเป็นอย่างดีเนี่ยนะเจริญศีลเป็นอย่างดีก็เป็นบาตรให้บรรลุมรคขสมาธิผลขสมาธิถ้าเจริญสมาธิเป็นอย่างดีก็เป็นบาตรให้บรรลุมรคปัญญาผลปัญญาอันนั้การเจริญปัญญาอย่างดีก็เป็นเหตุให้จิตเนี่ยหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายพันในพระพุทธศาสนานั้นจึงสอนสิกขา3ประการเนี่ยนะสิกขาทั้ง3เหล่านี้นี่แหละที่เป็นเหตุเป็นปจัจจัยเป็นอุปนิสัยให้เกิดการตรัสรู้อริยมรรคอริยผลทั้งหลาย ผู้ที่เจริญอริยมรรคทั้งหลายก็หลุดพ้นจากอะไรกรรสวาภาสวะและอวิชชาสวะคือตรงนี้ยกพิเศษว่าถ้าเจริญธรรมที่ควรเจริญคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะถ้าเจริญธรรมที่ควรเจริญอย่างนี้ก็จะได้ละสิ่งที่ควรละเนี่ยนะก็จะหลุดพ้นจากสิ่งที่ควรหลุดพ้นคืออาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอานาจอุ ป, ปาทานนั่นเองนี้ต่อไปในข้อ9สา ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในอัมพปาลีวันตามพระอัจฉริยสายแล้วพระองค์ก็ตรัสกับท่านพระอนุนว่ามาเถิดอานุ์เราจะเข้าไปยังหมู่บ้านเวลุวะคามกันเถิดก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากในสมัยนั้นท่านพระอนุนก็ทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จดำเนินถึงหมู่บ้านเวลุวะคามนั้น ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะหมู่บ้านเวลวะขามนั้นนี่ก็แสดงว่าถึงช่วงเวลาใกล้จะเข้าพรรษาพอดีเกือบจะเข้าพรรษาสุดท้ายนะพรรษาที่เท่าไหร่พรรษาที่สี่สิบห้าเนี่ยนะอันนี้พรรษาเนี่ยจะเป็นพรรษาที่สี่สิบห้าของพระพุทธเจ้าก็คือพรรษาเนี่เป็นพรรษาสุดท้ายเนี่ยนะก่อนเข้าพรรษาสุดท้ายของชีวิตนะว่า ในหมู่บ้านเวลุวะคามนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพิสู่ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสู่ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปเถิดจงไปจำพรรษาตามมิตรสหายตามบุคคลที่เคยพบเคยเห็นกันตามบุคคลที่เคยคบหากันโดยรอบนครเวสาลีเถิดส่วนเราจะเข้าจำพรรษาในหมู่บ้านเวลุวะคามนี่แหละนัน